เพราะสิ่งอื่นเราไม่ได้สัมผัสก็ไม่ได้รับรู้จึงว่าไม่ทุกข์ไม่นับแต่ทุกข์ไม่เป็นจะขันหนักไม่เป็นจะขันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้กันอยู่ทุกขณะทุกเวลานับตั้งแต่เกิดมารับรู้กันอยู่อย่างนะ่ะกระทบกระเทือนกระแทกกระทำกันอยู่อย่างนะตลอดเวลา นี่จริงว่ามันเป็นของหนักพอเราเป็นผู้รู้เป็นผู้สัมผัสให้ทุกทั้งหลายที่เกิดขนนึ้นไม่ขันของเล่านี่นี่ทําไม้แก้ไม่พินิษฐพิจารณาไม่ประกอบความผาสความเทียนดยการเพ่งพินิษฐิจารณาด้วยการตั้งอกตั้งใจ ด้วยการกำหนดจดจอเพื่อให้รู้ให้เข้าใจแหละไม่มีทางหลุดไปได้ไม่มีทางพ้ไไไงนไปได้ไม่มีทางที่จะปล่อยว่างได้ยิ่งยึดยิ่งติดยิ่งกำยิ่งแนมยิ่งไม่ว่า ง, งเรื่องข้องใจเป็นอย่างนั้นยินดีในรูปในเสียงไม่กินไม่รไในสัมผัสข้อใจ คิดว่ามันจะดีคิดว่ามันจะนี่ค่องสุขแต่ก็ไม่เป็นไปต่างของ้อมึข้อคิดยิ่งบกพร่องอยู่ตลอดเวลายิ่งคิวยิ่งอยากอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินเมื่อได้ดูได้เห็นแบบยิ่งอยากเห็นต่อไป ยิ่งยากไยิ่งต่อไปยิ่งอยาสัมผัสต่อไปนี่นอกจากจะทำร้ายด้วยอํานาจของสติสมาธิที่นี่กําลังและปัญญารอบลู่ต่างข้อมเป็นจริงเท่านั้นข้อมอยากข้อมหลงเรานี่ยจึงจะทําลายจึงจะพังกินา้าออกไปจากจิตใจของเราไม่ พ้คนความเพียนของเราไปได้อาหามนี่ข้มขยันมันเพียรตั้งอกตั้งใจแน้วนอกจากเราจะพอดทุระพอดทิ้งเิอเฉยเฉยเมื่อยอยู่ไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของตนเท่านั้นเป็นผู้ยู่ด้วยความประมาทนั่งนั่งนั่นนอนยืนยืนเดินเดิน ดูไปกินไปวันแแหล้ ว, วนเล่าไปแท่นะ่ะคิดว่ามีความทุกขเพราะการกินมีความทุกขเพราะการยืนเดินนัง่งนอนไปแค่นะั้นเลี่ยงที่พูกมัดกิดใหญ่ไม่มีทางที่จะขยับขยายให้เบาบางออกไปด้ยมีความโกรธอยู่ขนาดไหนก็โกรธอยู่ขนาดนั้นโรคอยู่ขนาดไหนก็โรคอยู่ขนาดนั้น ล้งยินดียินร้ายอยู่ขนาดไหนก็ล้งอยู่ขนาดนั้นเพราะไม่มีอาวุธเพราะเราไม่เดินมักไม่เจริญมักนี่จึงไม่รู้จุดที่จะแก้ไขที่จะปดเปื้งจึงทำให้ปิดอยู่คลองอยู่และนับแต่จะทับถมเข้าไป พอกพูนเข้าไปพอกพูนควมโรคควมโกรธควบหลงพอกพูนทิฏฐิมานะควมเห็นคอมถือพอกไม่ย่อมสลัดพอกไม่ย่อมสําระพอกพูนเข้าไปเหมือนกันกับดินติดหางหมูแน่ที่สุดก็โจมอยู่ในภพในชาติอันนี้โจมอยู่ในวัตฏะอันนี้ ไม่รู้จกจบจกสิน้นไม่มองเห็นทางที่จะออกไปได้มีพอข้ามประมาทผู้อยู่ด้วยข้อไม่ประมาทในอริยบทท้งสีฝึกสติตั้งสติกำหนดใจให้ระลึกรู้มันจะนึกจะคิดสิ่งไหนมันจะเกิดค่ออยากในสิ่งใน มันจะโรคในสิ่งไหนโรคในรูปในเสียงในกินในรสหรือสิ่งไหนยกสติปัญญาเข้าไปตั้งลงในจุดนั้นคนคว้พินิจพิจารณาจนกรัวมันจะแตกก็จายออกไปจากคิดใจใจของเราลู่ข้ามจริงเด่นชัดต่างความเป็นจริงแบบมันก็หมดอันมาก ข้อมหลงก็มดอำนาจความโลภโกรดมดอำนาจออกไปถ้าเราไม่ท่ำยามันก็ไม่มีทางที่จะเป็นอิสระจากความโลภโกรดหลงเหล่านี้ได้โลภอยู่ทั้งภายในอกภายในหลงอยู่ทั้งภายในอกภายในหลงตัวเองหลงคนอื่น หลงสัตว์อื่นโรคในตัวเองยังโรคออกไปหาสัตว์อื่นบุคคลอื่นเรื่องภ่ายนอกออกไปอีก น, นี่มันเป็นทุกข์จริงๆทุกข์พอควาอมลุ่มความหลงในสิ่งเหล่านี้หาความเป็นอิสระที่จะมีความสบายแม่จะชั่วขณะหนึ่งก็ไม่ได้ พราพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเห็นโทษเห็นไผ่ท่านจึงมีจิตมีใจมุ่ง ม, มั่นต่อความภาคความเทียนมุ่ง ม, มั่นต่อการแท่งพินิษฐิจริญเพื่อให้เข้าใจในสิ่งเรามียิ่งไม่เสียดายในชีวิตอินทรี่อันนี้ไปยิ่งกว่าการยิ่งกลัวความเป็นอิสระท้องใจ ที่จะพ้นจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้แต่พวกเรากระท่ำกันยังมีก้อมเสียดายในชีวิตเสียดายในความสุขเล็กๆน่อนอนก็เพราะกิเลสนเนมันแหละมันปิดบังมันมีอำนาจมีกำลังเขี่ยมสอน เล่าหลงแล้วก็ยินดีอยู่ในถ่ำหลอกร่วงของเขาซิ่งไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้ตั้งควาอมภาคกล่อมเพียนลงไปหาใจเพื่อทีนิดที่จะหน้าให้ลูกให้เขาใจในสิ่งเรานี่นี่ถ้าไม่ยึดทนทางไม่เดินตาม ข้าสอนของพระพุทธเจา้าเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ที่จะเข้าใจไม่มีทางที่จะพ้นไปได้วนเวีย น, ยนยอยู่นี่ยึดถืออยู่นี้ยินดียินร้ายอยู่นี่ไม่พ้นไปได้ไมเมื่อปราธนาถูกก้มข้นทุกข์ พอจงตั้งความเพียรลงไปยินดีในที่สงัดในที่สงบปารกความเพียรอีมบางหิวบ้างเรื่องความสุขเพราะการดูการกลิ่นการยืนเดินนั่งนอนนิดนิดน้อยน่อ ย, อ ย, อยไม่เห็นเป็นความสำคัญ ยิ่งไปก็ความสุขที่คิดใจของเราเป็นอิสระคนจากอำนาจที่กดขี่คมแห่งของความโรคโกรธลงที่มีอำนาจที่ไม่คิดใจเนี่เมืม่อมีความปรารถนาก็เล่นความเพี้ยนเข้าไป ไม่อยู่แบบงูป่าเพราะจะไม่มีหลักมีฐานอันใดจะไม่มีกำลังอันใดจะเป็นที่พึ่งของคิดใจของเล่านี่ได้ก็เรียกว่าเป็นคนไส้เป็นคนไส้ของกิเลสอยู่เรื่อยไปตรงนั้นเขาเล่าเป็นคนไส้ของผูู้ที่เขามีอำมาก คนใส่ของผู้มีทรัพย์มีอำนาจเขาใส้อันไหนบงการอันไหนแล้วก็ถําไปตามเขาเรื่อยไปเพราะตนของตนไม่พึ่งตนเองไม่ได้มีเรื่องข้องใจที่ไม่มีถ้ำพึ่งตนเองไม่ได้เหมือนกันสติก็ไม่มีกำร่างกามาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่มี นี่ก็มีไปตามปัญญาของเรื่องของกิเลสนของสโมไทยจิตมันให้นึกให้คิดให้พ้นให้ขั้วไปก็มีไปตามเรื่องของเขาก็เรยไม่พ้นทุกข์ทักที่นี่เรื่องของจิตเป็นอยู่อย่างนี้แต่หาว่าไม่มีความเพียรนม่มี นี่กำร่งของ ม, มันจะแสดง้อมีกิจพิสดา้เรารุ่มหลงอยู่ตลอดทุกขณะกิจทุกล่มหายใจแต่ถ้าหาว่าเราจะเริ่อนมักเป็นผู้ฝึกตนเองให้มีสติสัประชัญญยะทีมีปัญญารอบรู้อยู่แล้ว ถึงแม่มันจะวิกฤตพิสดารทัวกวานใดก็ตามมันก็ออกไปจากจุดอันเดียวคือจุดของท้ำจุดของใจคือฟูรู่นั่น ม, มันจะนึกจะคิดเกิดนึกคิดออกไปจากฟูรูนั้นมันจะแสดงอนไน มันกอ่อเพราจะพู้ลู่เพราะู้ลู่นี่ไม่ดับผูรลูนี่ไม่เคลื่อนค่าไม่แปรปวนแต่สิ่งอื่นน่ยมันแปรปวนเมื่อคิดแปรปวนคุงแตงแปรปว น, นเมื่อรู้จุดความจริงแหละก็จดจ่อเขาไปหาพูรลู่ ใหู้รู้รู้ตามความจริงสิ่งนั้น <c oughs> เป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเมื่ยรู้เมื่อเห็นตามความจริงแบบแล้วได้จะไปหลงอะไรก็เพราะว่ารู้ตามความจริงไอเดียนี่รู้เรียกว่ารู้หลงเพราะรู้ยังไม่ได้รู้ด้วยสติปัญญาเป็นเพียงแต่ว่าเขายืนสิ่งไหนเขามา ก็ดูก็รู้ไปตามใใค่ายกับว่าคนนน้นไม่นีที่พึ่งซึ่งตนเองไม่ได้เขาพูดสิ่งไหนก็ค่อยตามพูดไปตามเขาว่าดีก็ดีไปว่าชั่วก็ชัวช่วไปตามเขาไปเรื่อยในเรื่องของความู้ที่ไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่อง กรนับสนุนเนี่ยยอมรู้ไปยังเพราว่าที่นี่ดีก็รู้ไปตามก็ดีไปตามทางัทงๆที่เป็นของไม่ดีนี่ก็เลยทํำให้เรารอดทํำให้เป็นทุกข์ทํำให้ยึดให้ถืออยู่ <c oughs> เมื่อเรามาฝึกผู้รู้วันนี้แหละหมีสติ เขาไปควบคุมปัญญาเข้าไปรอบรูปสมาธิตั้งมัน่นแล่กวจะมองเห็นในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงแต่ละสิ่งละอย่างก็จะไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ยึดไม่ถือเดี๋ยวอยู่เป็นอิสระของความรู้ ที่ทูสักฟอกให้สะอาดแรกมีสิ่งเขาไปเกือบแฝงไปเกืียผลมีมดข้อพิษดาหมดข้ อ, ขอกับกรอกรอกหลอนมีนริงจะเซ็ต จ, จิตเซ็ตการงา น, นจิงจะพ้นทุกข์ไปได้ ทำไมย่างันทุกอยู่นี่แหละทั้งๆ ท, ที่วา่าซุกนั่นแหละทุกวราสุกก็ทุ ก, ก, ทกเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันกคุกเข้ากันอยู่ก็เลยทำให้หลงอยู่ นักปฏิบัติผู้มุ่ ง, งคว่มค้นทุกข์มุ่งคว่มสุขอันเป็นบรมมาสุขจะต้องฝึกสติสมาธิปัญญาให้มีกำลังบอมอินซี่ให้กล้าปลูกศรัทธาความเชื่อมัน่น ว่าเมื่อปฏิบัติจริงท่ำจริงจะต้องท้นทุกจริงจริงนี่วิริยะข้อมเทียนพยา ย, ยามนี่สติจดจ่อระลึกรู้ตั้งใจมั่นหงรอบรู้ในสภาวะอาการของกิจที่นึกคิดปรุงแตง่งเมื่อมีกำลังแม้วกว่าสามารถที่จะท่ำให มั่นคงตั้งมัน่นแน่วแนว่รู้ควอมจริงัดความสงสัยในขณะจิตของเราถ้าเราไม่ดูเราไม่พินิษพิจารณาเลยมันไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเหมือนกับเราอยู่ในวัดนี่แหละถ้าหาว่าเราไม่เดินดูไม่ ศึกษาให้รอบทั่วทั้งบริเวณวัดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในที่นี้ก็ไม่แจมแจ้ ง, ก, งก็ยังมีความสงสัยแต่เราได้เดินดูทุกตอกทุกซอกซ้อยดูว่ามันมีอะไรต้นใหม่อะไรบ้างใน บริเวณวัดให้เห็นทุกซอบทุกมุมแล้วก็หมดข้อมสงสัยทั้งใครจะมาพูดอะไรขึ้นมาก็ไม่มีข้อมสงสัยนี่ถ้าเราไม่ดูยู้เราก็ยู้เฉพาะที่เร่ายู้นั่นไปเดี๋ยวมีใครพูดอะไรขึ้นมาก็สงสัยไปตา่างนี่เรียกว่ายู้โดยความไม่ดูยูด้วยความไม่ศึกษา ในเรื่องของกายใจก็เหมือนกันทไม่ศึกษาไม่ค้นคิดพินิษพิจารณาแล้วก็ไม่รู้ก็หลงอยู่เรื่อยไปนี่จุดหมายปลายทางหรือจุดมุ่งหมายของการประพฤติปฏิบัติก็เพื่อจะเอาตัวเอาใจในให้รอดพ้นจากอำนาจทของคล้องโรคโกดลง ที่เป็นขาศึกทับถมคิตใหญ่อยู่นี่ไม่ได้ม่งหมายอย่างอื่นม่งหมายคือความรุดค้นจากสิ่งที่กดทีบบังคับคิดใจอยู่นี่ที่ให้เป็นทุกข์อยู่นี่เท่านั้นไม่ได้มงหมายหวังจะเอาราบเอายดสรัสริญสนุด ส, สิ่งใด เขาให้หมดเรื่องมดเล่ามดพบมดชาตินี่เท่านั้ น, นจะมดได้ก็ต้องด้วยการศึกษาด้วยการเพ่งพินิษพิจารณาด้วยการค้นคว้าให้ลู้ให้เข้าใจตามข้อจริงนี่วิธีทา่าหรือแนวทางการปฏิบัติ จะต้องตั้ง อ, อกตั้งใจทำอย่างนี้จึงจะแปลสภาพจากค้อมเป็นผู้หลงมาเป็นผู้รู้แปลสภาพจากข้อมมืดข้อมดำมาเป็นข้อมสว่างเหมือนเงินก้กอนหินหรือเพชรนิ่นจินดาที่เกลี้ยกล่วอยู่ด้วยของสกรปรกจะต้องขัดต้องถู ออกจึงจะแปลสภาพเป็นความสดใสแววว่าขึ้นมากในเรื่องของใจของเราก็เหมือนกันจะอยู่เฉยๆไปเฉยๆอยู่ผ่านวันผ่านขึ้นไปให้เกิดความดีความชอบขึ้นมากไม่มีทางไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ออกจากจมืดมิดปิ ด, ด, ดทว้านทั้งเก้าไปท่นนี้ปิดทั้งตาทั้งหูงจมูกปิดกายใจปิดไปหมดฉันถือถ่ายทาไม่ลู้จุดรูหมายมีพาข้อประมาทพอข้อมไม่ฝึกไม่หัดไม่ตั้งใจ เพราะชันพวกเล่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ข้อม่งหวังคือข้อมพ้นทุกข์้นเจ้าชาติการเกิดค้นจากค้อคคมทรมานทั้งคิดใจโดยข้อมโรคโกรธหลงราคะตัณหาต้องทะเยอทะยานอยากนี่จะต้อง เอาใจใส่ในการตั้งสติฝึกสติเพื่อให้เกิดสมาธิคือซ้อมตั้งใจมั่นฝึกปัญญาให้รอบรูปในรอบคอบเมื่อฝึกอย่างนี้ตั้งใจกระทําอย่ยางนี้และจิงจะได้รับผลตามข้อ ม, มุ่งมากปารถนา ที่อยากจะเป็นภูมิความสุขค้นจากถุกถไม่ถ้ำไม่ปฏิบัติไม่เจริญก็ไม่มีไม่เป็นไม่ได้เรียกว่าเด็กเล็กนมสาเอาแกสราก็ใจมันเป็นอันเดียวกัน นี่กิเลสมันก็มีทั้งนมทั้งสาวทั้งเด็กทั้งเด็กทั้งเถาทั้งแกแล้วขอมโลกข้อมโกรธขอร้อมหลงมันย่ายี่อยู่ด้วยกันทั้ ง, งข้อมพ่อใจไหมพอใจนี่เพราะฉะนั้นจริงว่าจะว่าเพศใดว่ายใดก็ตามต้องอาศัยการคุกการหัดอาศัยการกระทําให้มา ก, กเจริญให้มากกัน ยิงจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งภูกทั้งปวงน่การอธิบายท้ำเพื่อเป็นการเตือนจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ยินได้ฟังแหละจงน้อมน้อมไปพินิษพิจะระารณาคึกหัด ปฏิบัติแก้ไขจิบใจของเราเองตัวของเราแก้ตัวเราเองอไม่มีใครที่จะมาแก้ให้เา่าตถาตาโรตถ า, าพะโตพระตถาคตยากเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้ชี่แนะแนวทางเท่านั้นไม่สามารถที่จะมายิบยก สิ่งที่หนักน่วงนี้ในจิตใจนี้ออกไปได้อาหารว่าเล่าไม่กระทําเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนํ่ไประพึ่งปฏิบัติไปที่นิตพิจารณาไปแก้ไขจิตใจของเราแล้วเราจะได้รับผลตามสมควรแก้กันปฏิบัติของตน ที่บ่ายทำเป็นวัดสมควรเจเวิราอิงยุติเมื่อเที่ยงจะมีนนเดินใหมันมากๆเดินจังกรมนั่งกับนั่งมันมากๆเหมืนมันรู้เรื่องรู้ล่ามันนึ่งเหมั น, มม น, มนรูมนนมน้มันเพาใจแล้วที่นี่ จะยู่อย่างไหนมันก็เป็นยื้อย่างนกรลูกมันก็เข้าใจอยู่นั่นมันยังไม่รู้มันไม่เข้าใจมันจะบอกว่ามันรู้มันเข้าใจมันก็ยังหลงอยู่นั่นแหละงว่าท่ามให้มากๆเดินจงกรมเดินให้มากๆเวลาเดินตั้งสติดจอ ว่าตั้งใจให้มันมากมากไม่ใช่ว่าจะเดินไปเฉยๆแล้วเรานั่งสมาทัวเหมือนกันนั่งให้มันมากมากเรียกนอนก็ไม่ต้องพูดละมันมากมากทั้งตเติดเพราะมันนั่นทั้งๆเติด ออกมาจะาคอนแม่ก็ น, นอนโมยนียนไผเกิดนั่งเกิดยืน <c oughs> ที่จเจ้าพระพุทธเจ้าท่นานพระองค์เกิดยืนเดินไปในเจ็ดกะพ่นกิเรสหนาปัญญาอยางเหมือนยางปวกเล่าเนี่ยนีจังจะนอนออกมาเพราะานั่งิ้งเด ยิ่ดีอยู่แต่การนั่งกใจอยู่แต่ความสุขในการนอนเหลาเจ็ปุวยไทคว่ามันมีค้อมสุขเวอนหะน่งาคมสุขใบบอกนันมีค้อมสุขน่ยมันบอได้นอนงแนอนทุกนึงเพราะสั่นสีแก่ห้ใจมันพ้นทุกนั่งมันมากม่อ มันเห็นทุกเดินก็นเดินนะมันเห็นทุกรู้เรื่องของทุกมันกลัวนั่นแหละยิ่งเดือดภาพ ม, มันยิ่งดัดสันดานมันมันไปทุกข้ากล้องกลัวเลาว มันกลัวยิ่งอยู่ในที่มันมีที่กำบังมีมที่อาศัยนั่งมีใจลมใหม่พระพุทธเจ้าสอนเพื่ออะไงเพื่อจะให้มันรู้มันเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นขาดสึกย์เนี่ยมันไม่มีที่พึ่งท่าอาศัยมันจะเป็นยังไงมันจะได้รู้เรื่องข้อกี่ให้เป็นคน้กลัว ต้องกลัวไม่รู่ที่ไหนหาว่าไม่เกิดถึงมาที่ใจต้องรอดเมื่อเกิดถึงมาที่ใจก็ต้องแก้ลงไปที่ใจจึงจะหายกลัวเรื่องค้องกลัวเรื่องค้องโรคต้องโกรธเหมือนกันมันโกรธยุ่งที่ใจโรคที่ใจต้องแก้ต้องไปที่ใจจึงจะหมดจึงจะสิ้นสุดลงไป ตั้งสัจจะไว้ตามอาศัยสัจจะด้วยมันก็ไม่กล้าความเพี้ยนว่ามัจะเดินมนถึงอาทุ่มหรือฮกทุก่มหรือกีทุ่มก็กำหนด่ถึ ง, ง น, นั่นไม่หยุดเดินมไม่อะไรไจะข้านเอาข้านไม่อะไร น, นกิงไปเอาเอาสัจจะ เขาไปคมมันเขาไปคมความมักง่ายค้อมเห็นแก่ข้อมสุกนิดๆหน่อยๆถามว่าไม่เอาสักจะเขาไปบังคับมันมันก็ไม่กล้างานเดินยองคม ก, กับเดินยักๆๆกไปนั่งเขาว่าหน้าพ่อสำบานหน้าไม่ตายครับ เลื่อยไปเห็นความจริงเลเรื่องความจริงทํำให้เขาถึงจุดมันมันก็ไม่รู้วามจริงรก็ราั้นินว่าทําให้มันสุดคุดให้มันถึงทุกข์จะให้มันเห็นทุกข์จริงๆทุกข์เพราะการนั่งทุกข์เพราะการยืนการเดินการนอนงจะให้มันเห็นทุกข์จริงๆอ้าวมันว่ามนอนมีความสุกขถ้ามันนอนอยืนอะไรวันอะไรคืนไม่ต้องนกระดุกกระดิก เห็นทุกในการนอนตัําลงไปอย่างนั่นมีไัยแต่คนทุกข์ก็เล่าในละคราเป็นคาถาของกิเลสตัญ ห, หาก็เล่าในละเป็นคาถากิเลสปัญหาก็เลยเกี่ยวกับไผ่แต่ ต้่องไอย่างนันอดพาะการกระทาจึงเป็นเรื่องของจาเพาะตน่เกี่ยวกับผู้อื่นไม่ต้องไปคิด่คนนั้นไม่ท่าคนนี้ไม่ทาเาก็ไม่กระทั่งเาก็ไม่ทําไม่ต้องไปคิดย่างทั้งหนาที่จะฝึกต น, น, นมันเป็นผู้เริดผู้ประเสริฐเวยท่ำนคุดมันลงไปก้อนมันลงไป จะได้เห็นสิ่งที่มีคุณค่าเกิดขึ้นมาที่ใจจะได้พึ่งตนเองข้ามว่าอัตติอัตโนนาโถตนแรกเป็นที่พึ่งของตนจะชัดเจนลงไปที่ใจต้าไม่ท่ำย่างนันพึ่งจะคนอืน